เคสต่อดจวันนี้กัเป็นเคสที่ใจให้ใับน้องกลางไม่ได้เป็นกลุ่มวัตถุโลกอย่างสูงมักกุเทศ ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตโลกทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดขึ้นได้ตอนน่าสนใจในทางโลกลูกเป็นมกักคุเทศนำคนท่องเที่ยวทั่วไทยส่วนทางธรรมลูกก็เป็นมกักคุเทศนำคนท่องวัดปฐมขายมากหลายแต่ที่เด็ดก่อนนั้นภายในใจลูกก็มีองค์พระเป็นมกักคุเทศส่องเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะวัยเด็กลูกเกย อ, อะรมากดื่มเหล้าสูบบุหรี่สูบกัญชา ชอบหนีอริยนและชอบไปขโมยผลไม้มของเพื่อนบ้านเป็นประจำอ่าเตรียมไว้ให้ดีทั้งฐานะทางบ้านก็ยากจนที่ไม่เมจ้ะทำไมทำไมนี่เราถึงต้องรวยเนี่ยเพราะถ้ายากจนแล้วก็จะอย่างเนี้ยจะมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้กฎแห่งกรรมที่เราศึกษานี่ไม่ได้แปล ว, ว่าเราศึกษาแล้วจะทำให้เราเป็นคน อับเฉาเหงาองยหงอกอะไรอย่างเงินน่ท้อแท้ชีวิตหรือปล่อยไปตามยะถากรรมไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหาก็ไม่ใช่นะคือสอนให้เรียนรู้ให้เข้าใจว่าเราพฤติกรรมของเรามีผลต่อวิบากกรรมไม่ว่าเราจะคิดพูดหรือทำเนี่ยล้วนมีผลทั้งสิ้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากใ น, ในเวลาที่เราประสบทุกข์ เราก็จะได้รู้ว่านี่เป็นเพราะวิบากกรรมของเรามาและหลังจากนั้นเราก็จะได้ใช้หลักวิชาในการสู้ปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นแบบมวยหลักอย่างนั้นแหละนี่ือตั้งหลักเราก็จะคิดหาทางออกอย่างถูกหลักวิชาไม่ใช่ไปดื่มเหล้าเล่นการบันทเทิงเตะผูกคอใต้อะไรอย่างนั้นเมื่อเวลาที่ประสบทุกข์เนี่ยมันจะนึกถึงน้ำมะ ฝึกใจใ ห, หยุดนิ่งๆคือยอมรับว่านี่เป็นวิบากกรรมที่เราทําำเองไม่ใช่ใครทําเราทําเองไม่มีใครลิขิตหลักแล้วเราก็เจอเพราะเมื่อเราทําเองเราก็ต้องแก้พอเจอแล้วเราก็ก็ต้องอดทนอดทนแล้วก็สร้างความดีหนีกรรมไปทาความดีให้ทานรักษาศี้นจเจริญเบานาพอฝึกใจใ ห, หยุดนิ่งๆตั้งหลักได้เดี๋ยวมันก็มีดวงปัญญาและกําลังใจ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 พบนี้ชาตินี้ที่เราประสบวิบากกรรมหรืออุปสรรคของชีวิตนในระจับอย่างน้อมก็มีอนิสโอ์ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและจะทําใหนรัฐเกิดทีริเกิดโศกสะะละอายจากการทําบาปเรื่อยตวงเราเองไม่ใช่ว่าที่ไปทําบาปเพราะกลัวกฎหมายหรือกลัวอะไรจะไม่ทำเพราะว่ามันเสียศักดิก์ศรีความเป็นมนุษย์เราจะต้องรักษาคุณภาพของใจให้มันสูงส่งขึ้นเอาไว้จะเกิดความละอายเรืยตวงตัวเอง แล้วก็เกรงกลัวต่วผลของบาปเพราะเรารู้มีความรู้ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้นี่อบอายเป็นที่ไปซึ่งมีความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมนุษย์นี้กว่าโลกมนุษย์นี้มากมายนะเราก็จะอดทนต่อทนหิวค่ามเนญตะบาาต่อสู้เอาชนะอุปสรรคไปได้ปัญหามีก็แก่ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นหนังมันก็จะทำกันไปพร้ อ, อมๆกันนะจ๊ะ ลูกทำพฤติกรรมทช่นนี้จนพ่อและแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะลูกอย่างนี้ไม่อยากได้แต่พอลูกอายุได้สิบสปีลูกก็กดปุ่มอ่านว่าอะไรเนี่ยรีเซตรีเซตเลยโปรแกรมพฤติกรรมตัวเองใหม่กลายเป็นคนละคนหันไปช่วยเหลือ ง, งานต่างๆของพ่อแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุรรี่และกัญชาได้หมดและบอกลาการลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แรงมานานใจจะยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนนิสัยของลกูกในครั้งนั้นก็คือเสียงอ่ะเราลองสันนิษฐานที่ว่าเสียงอะไรที่เปลี่ยนแปลงเธอเสียงสวดมนต์พระให้พรเสียงข้างใ น, นเสียงในใจคือเสียงเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงที่ดังออกมาจากในตัวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยจงตั้งสติ เสียงผิ้ชาจะเป็นเสียงผู้ใหญ่อายุราวสี่สิบปีมันดังไาอย่างเด่นตัวคอยมาเตือนเหตุการณ์ต่างๆลงหน้าแล้วคอยดุมะลูกทําผิดส่วนเสียงผู้หญิงที่ดังมปอย่างเด่ตัวจะคอยปลอบประโ ล, ลมมะลูกเสียใจหัวใจที่อาบเช้าก็ได้รับน้ำใสเย็นชโลมให้ชุ่มชืน่นอีกครั้งหนึ่งอมสมก็เป็นมักกุเทศเลยตัวอย่างผลงานของเสียงเตือนจะเป็นความสามารถพิเศษที่ซ่อนแ อ, อนด์อยู่ภายในก็เช่นครั้งหนึ่ง เสียงนี้ได้บอกให้ลูกไปเตือนเพื่อนกาลิมิตินแนะนําลูกเขาวัดว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะถูกรถชนลูกจึงไปเตือนเขาแต่นั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาก็ถูกรถชนจริงๆแต่ไม่เป็นอะไรมากอีกคราหนึ่งเศษนั้นก็มาบอกกับลูกว่าเพื่อนของลูกซึ่งรับราชการสายงานเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบบใหม่เมื่อลูกไปบอกเขาเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า บ้าหรือเปล่าเออขาถามก็ถามเราก็ต้องตอบว่าไม่บ้า <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเ อ, อันนีออ้คันลำพึงเราแต่ในวันลุกขึ้นที่ทํา ง, งานเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกระบบงานใหม่จริงๆเคยทุกคนหมุนเวียน ง, งานทำงานออยังมีอีกค่ะช่วงก่อนที่พ่อของลูกจะเสียเสียงนั้น ก, ก็มาเตือนว่าปีนี้พ่อคุณจะเสียชีวิตนะตอนมาลูกก็สูญเสียพ่อไปจริงๆ ด้วย เ, เระเร็งซึ่งเสียงนี้ก็ยังคงดังเป็นเสียงแห่งสายลมที่หวังดีอยู่ในใจลูกตลอดมาจนปัจจุบันนี้ยอ้อนมปตอนที่กระยิบมาชวนลูกเข้าวัดปฏิบัติเขาใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการชักชวนชวนแล้วชวนเล่าฟาจะชวนจะลูกรําคาญตอบกลับเข้าไปว่าจะขอลองนั่งสมาธิสักสามวันแต่สามวันแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยต้องมาพูดกันแล้วแหะ ลูกกลองนั่งสมาธิเองที่บ้านโดยไม่รู้หลักเกณฑ์การนั่งเลยโดยจําระล้างร่างกายให้สะอาดจุดทูปเทียท่ยวิศฐานต่อหน้าหลวงพ่อตรวจวัดช้างให้ว่าถาวธรรมกายที่เขาแนะนํามาเนี่ยเป็นวัดที่ดีโอ้ท <Okay. S 1> oh, าไมเสียงขนาด น, นี้เลย <laughs> ก็ขอยหลูกนั่งสมาธิเห็นภายในสามวัน <laughs> แล้วขอยหลูกได้รู้เรื่องราวของวัดพระธรมกาด้วยแ <laughs> น่ขนาดนั้น <laughs> วันแรกลูกนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีลูกก็ยังไม่เห็นอะไรวันที่สนั่งสมาธิแล้วลู ก, กรู้สึกตัวเบาวันที่สามลูกนั่งสมาธิยังไม่ทันถึงครึ่งชงั่วโมงสิ่งที่ทําให้ลู ก, กรู้สึกทึ่งและชวนค้นหาคือลูกเห็นองค์พระสีทองเหมือนในโบสถพุดขึ้นมาได้กลา้าเออนี่นี่ น, น, นีไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันได้กล้ามพระลูกได้เห็นโบสถว่าปฐมกายเห็นหลวงพ่อและคุณยายด้วย เมาหรือเป่ทั้งนั้นที่ลูกยังไม่รู้จักองค์พระภายในบทและหลวงพ่อกับคุณยายเลยช้าวันเริ่มขึ้นลูกจะอธิบายลักษณะขององค์พระในบทและประธรรมกายหลวงพ่อและคุณยายให้เพื่อนฟังลูกจึนได้ไปเปิดดูภาพในวัตสารกัลยณมิตรก็เหมือนอย่างที่ลูกเห็นจริงๆนี่นี้เป็นจุดเริ่มตอนให้ลูกได้มาวัดต่อมาลูกจะมีโอกาสนั่งสมาธิอีกครั้งจนลูกสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้ องพระที่เห็นจะใสสว่างมากใส ย, ยิ่งกว่ากระจกและสว่างเหมือนพระที่ตอนเที่ยงวันองค์พระภายในจะบอกให้ลูกเอาใจจฉลิอยู่ที่ศูนย์กลางกายลูกมีความสุขมากที่สามารถคุยกับองค์พระภายในได้ครครั้นลูกจบการศึกษาพี่ชายก็ชวนลูกไปทํา ง, งานกับบริษัททัวร์นำเที่ยวแห่งหนึ่งลูกก็เลยเป็นมักกุลเทศวันหนึ่งองค์พระภายในตัวบอกลูกว่ามาไปถึงที่ทํา ง, งานแล้ว ให้บอวิชัยว่าวันนี้ไม่ต้องไปเอาเงินให้ตัวลูกเป็นคนไปเอาแทนลูกก็ทําตามนั้นแึ่งปกติลูกจะสลับกับวิชายเป็นคนไปเอาเงินที่เก็บไว้ในโรองแรมแห่งหนึงน่งในใจากบริษัทของลูกชาวบ้านคนอื่นอยู่แต่เก็บเงินไว้ที่บริษัทจะไม่ปลอดภัยถึ่งตุลาเวลาหกโมงสบห้ า, านจะต้องไปเบิกออามาใช้พอลูกไปเบิกเงินแล้วเดินออกมาถึงหัวโคก ก็บพบคนร้ายเอาปืนมาจี้เอวแล้วบอกให้ส่งเงินมาบอกคุณคนดีรีบเอาเงินออกมาบอกไปทำงานทำการบ้างมือนี่คืองานของผมออมันก็ต้องชี่วเชี ว, ค, วคุณผู้ร้ายกรุณาเอาปืนออกเงินเนาะชี่ยวชี ว, ชวคนร้เอาปืนมาจี้เอวแล้วก็บอกให้ส่งเงินมาลูกก็ไม่ยอมส่งเงินให้ เราหาเกือบตายอยู่ๆก็จะมาของอ่ายๆก็เอากระเป๋าใส่เงินไขยไปข้างหลังขุนราชก็บอกให้ลูกส่งเงินมาดีๆลูกก็ยังไม่ยอมขนราชจึงใช้ปืนลูกซองจอยิงเอลด้านซ้ายของลูกกดสุญกระจายมาเกือบยี่สิบนัดลูกล้มลงและมือซ้ายปิดตรงช่องเอลที่ถูกยิง <c oughs> <c oughs> แต่กลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด หนังไรแน่เนี่ยในตอนนั้นลูกได้ยินองค์พระบอยลุกขึ้นลูกตอบเขาเลยว่าหนูไม่ลุกเาหนูกลัวเลือดเป็นว่ามีใครตบหน้าลูกให้หันไปดูเอลที่ถูกยิงลูกก็หันขอามไปปรากฏว่าไม่มีเลือดเลยลูกจึงลุกขึ้นสู้ใจดีสู้คนร้ายมือซ้ายแกปัดถูกมือคนร้ายทำให้ปืนตกลงพื้นแล้วก็เด็นมาทางลูก ลูกยิงจี้ปืนกันมาพูดจะยิงคนร้ายไม่รู้ <c oughs> ใครโหดกวกันปรากฏว่าคนร้ายวิ่งหนีคนร้ายวิ่งหนีปืนมีกระสุนเพราะยิงไปหมดแม็กแล้วคนร้ายยังหนีไปเพราะกระเป๋าที่มีเงินอยู่แสนกว่าบาทส่วนกระเป๋าที่มีเงินอยู่หกหมื่กว่าบาทลูกแย่งกลับมาได้ตำรวจแปลกใจมากที่ลูกรอดชีวิตมาได้อย่างไรเพราะกระสุนปืนทะลุฝาผานังปูนเต็มไปไมหมด ตำรวจถึงกับต้องช่วยกันงัดกระสุนทิ่ฝังในผนังออกเพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐานแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่อรอยแดงและคราบขมอปืนตามตัวเท่านั้นโอ้อัศจรรย์พระในตัวช่างเป็นซปเปอร์ฮีโร่เหนือจินตนาการจริงๆลูกไปวัด เ, เรื่อยๆจะได้พบคุณยายครั้งแรกท่านถึงก็เดินก็นมากอลูกแล้วพูดว่าลูกสาวยายกลับมาแล้วไออยู่กับยายอย่ไปจากวัดนะ ทันนะไอ้ทํานําให้คิดล็กคิดนิดตัวเอง <S <S อ <S <S แต่ลูกกัไม่ได้ทําตามที่ทันแนะนําในใจยังเป็นห่วงเรื่องคดีความอยู่หลังจากที่ลูกําดคำสั่งไม่จากคุณยายลูกก็พบเจออุปสรรคมาตลอดจนต้องออกจากบริษัททัวไปหางานใหม่ทําและยังมีปัญหาอื่นๆเป็นโซ่พันนาการอารอบตัวลูกหยุดซ้ําแล้วซ้ำเล่าต่อมาลูกกับไปวัดอีกและก็พบหลวงพ่อหลวงพ่อนํานั่งสมาธิองค์ไหนก็ไม่รู้เนี่แล้วชี้มาทางลูกพูดว่า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 สำหงานบุญยาสารแสนองศาแสนปลืม้มลูกไปรมหน้าที่ชวนคนสร้างองค์พระวันไหนที่ลูกไปไนั่งสมาธิจะลูกออกไปชวนคนสร้างองค์พระจะไม่สําเร็จเลยแต่ทวันไหนลูกนั่งสมาธิน้ำคนเหล่านั้นก็นมาวัดที่ศูนย์กลางกายเมื่อออกไปชวนคนสร้างองค์พระจะสําเร็จทุกครัยจะได้หนึ่งร้อยกว่าองค์แล้วคะ่ะ พ่องลูกตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านจะผิดสินก็สา ม, มารถที่สุดเพราะท่านชอบมากเลยต่อมาท่านกระด้ล้มป่วยเป็นโรคอะแร็งลูกอันดะบช่วยเดืป่วยก็มีกระมิตรเพราแนะนนําให้ท่านทําบุญพา ะ, ะอาการทั้งของพ่อก็เริ่มชุดหนักลงตลอดเวลาลูกดยนั่งสมาธิลาติฐานว่าจะให้พ่อตั้งชนทุกทรมานเลยแตจะจากไปกขอให้จากไปอย่างสงบแล้วท่านก็จากไปได้วยอาการสงบจริงๆ พี่สาววันที่สามและพี่ชาวันที่สี่ของลูกซึ่งเป็นฝาแฝดกันช่วงวัยเด็กอายุราวเจ็บแปดขวบขอที่ฐานะทางบ้านยากจนนับแบกอาศัยอยู่กับยายเดนนำกระโถนของยายลงมาเททิ้งข้างล่างแล้วก็ได้ <c oughs> สะดุดหกล้มตกบันไดกลิ้งลงมาทั้งสองคนพออาอยุได้สิบกว่าขวบพี่สาและพี่ช า, ชาก็เริ่มมีการผิดปกติทางสายตา ม, มาโดยตลอดไม่สามารถมองเห็นด้านข้างได้ต้องมองตรงอย่างเดียวตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นเลย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 แต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยเป็นเพราะองค์พระภายในช่วยใช่หรือไม่คะและทําไมองค์พระถึงมาบอกให้ลูกให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนวิจัยคะลักวิชาหนังเหนียวเฉพาะวิทยาทรใช้ป้องกันกระสุนปืนจากอนุภาพพระธรรมกายอย่างไรคะทําไมคุณยายถึงทักลูกว่าลูกสายยายกลับมาแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดคําพูดของคุณยายมายถึให้ลูกเป็นอุบาสิกาเทวะที่วัดใช่หรือไม่คะและการที่ลูกเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการที่ลูก ได้ขัดคำสั่งคุณยายาหรือไม่ลูกคุณยายมีสายบุญร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรคะทำไมหลวงพ่อองค์นั้นจึงทักลูกว่าลูกจะสามารถนําคนจานวนมากเข้าวัดในอนาคตลูกมีอาชีพเป็นมรดกเทศชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดลูกจะได้รับในสงผลบุญอย่างไรบ้างบางครั้งลูกต้องพานท่องเที่ยวไปตามวัดและศาลเจา้าต่างๆเพื่อไปอาบน้ำมนต์ขอโชคลาบดูดวงเป็นต้นนั้น แล้ที่ลูกก็ไม่ได้เต็มใจลูกจะได้รับวิบากกรรมนิจติดตัวหรือไม่อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรคะและทําไมงานที่ลูกทําอยู่จึงเจออุปสรรคทุบขลังที่งานกําลังจะไปได้ดีจะแก้ไขได้อย่างไรคะวิบากกรรมใดทําให้พ่อป่วยด้วยโรคะเร็งลูกกันดะก่อนตายท่านมีคตินิมิตอย่างไรท่านตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากบอกตัวลูกหรือไม่คะและกอนที่พ่อจากไปด้วยการสงบ เกิดจากแรณิษฐานของลูกหรือบุญเก่าของท่านคะวิบากรรมใดที่สายวิสาและพิชาฝาแข่ถึงได้ตกบันไดพร้อมกันและมีอาการจอประสาตาเสื่อมเหมือนกันและในานาเขาทั้งสองคนจะตาบอดหรือไม่และจะแก้ไขยอย่างไรคะลูกและเพื่อนกันมีคนแรกมีความผูกพันกันมากเพราะบุญใดที่ทำได้ทําร่วมกันมาแต่วิบากรรมใดที่ทําให้ต่อมาทั้งมาไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น จะต้องแยกกันสร้างบารมีจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็ดีกันซะก็แค่นั้นแหละเขาไม่คุยกับเราแล้วก็ไปคุยกับเขาก่อนแต่ลลกมีมนต์เสน่ห์สำหรับผู้หญิงมากคะ่ะ ส, สงสัยแหละถึงขนาดที่ทำให้ผู้หญิงทะเลาะกันเรื่องลูกมาหลายอะไรแล้วสงสัยเกิดจากวิบากกรรมใดคะและเหตุใดเพราะเหตุใดพวกเขาตงมีความรู้สึกรัก่อะหวงลูกคะ สงสัยแหละสงสัยลูกปวดหลังมากมีผลการนักสมาธิ้งลูกมากลูกรักษาด้วยวิธีต่งตางๆมามากมายก็ไม่หายหมดเงินไปเกือบล้านบาทแล้วค่ะเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะว่าพุทธนานติพานมาลูกสร้างบารมีกัมู่ณะหรือไม่มีหน้าที่อย่างไรในกองทับธรรมและมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรลงมาสร้างบารมีกี่รอบคะ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ลับตาฝันมนตร้มตาเตืนขึ้นม า, าแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปา ร, รามรากันจาไว้เด็กตัวลูกมินิสัยเกเรดื่มเหล้าสูบรีสูบกัญชาชอบหนีเรียนชอบเป็นิสัยไปขโมยผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจำพระ กำเ น, นดิดมีเชื้อครบคนพานเป็นนิสัยติดตัวข้ามชาติมจาจ้การกระทมนี้จะทำให้มีวิบากกรรมโดยย่อคือจะทำให้มีเชื้อไม่ฉลาดมีสติปัญญาน้อยกระทั่งเป็นบ้าใบ้าปัญญาอ่อนได้แล้วก็จะยากจนจะอยู่ในหมู่คนพานมีของก็จะถูกขโมยเป็นต้นแจ้ จะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมากราติดานจิตให้วิบากกรรมเหล่านี้ตามไม่ทันจ้าเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินออกมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้นผมมเทธีวาเป็นญาติบุญในตัวบุญเกิดการฝึก ส, สมาธิ เสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่รู้ดีจริงอมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นบุบุญวาสนาเก่าที่ในอดีตเคยฝึกสมาธิแบบวิทยาธรและเรียนวิชาพาลายกระซิบจึงทําให้มีอุปนิสัยและความคุ้นเคยเดิมๆติดตัวมาแต่ความจริงไม่มีผู้ชายผู้หญิงคนไหนจ้าวิชาพาลายกสิบติดตัวมา มักจะเกิดตอนที่ใจสบายๆเพลินๆใช่เ<ม>สียงที่บอย ก, การลุ้งหน้าที่ถูกนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญเพราะหลายๆครั้งก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ลูกไม่ได้ละอ่อยฟังใช่ให้ลูกสังเกตดูอย่างนั้นก็อย่าไปติดยึดติดเลยใช่เมันลูกนั่งสมาธิครั้งแรกได้เห็นพระประธานในโบสถ์เห็นหลวงพ่อและคุณยายทั้งๆที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยนั้น เพราะบุญได้เคยธรรมะกมู่คณะและมหาปูชนียาจารย์มาส่งผลแจ้ลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะวิชาวิทยาธรไม่มีกรมมกรมปานาลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะกรรมแนอดีตตัวลูกก็เคยไปขู่ยิงทําร้ายผู้อื่นโดยยิงเฉียดไม่ได้ทําให้เขาตาย <c oughs> มาส่งผล ให้โดนยิงเฉียดบ้างใช่ <Yeah. S 1> อีกทั้งองค์พระภายในกระโจงก้มครองด้วยใช่ <Good S 1> เขายิงเฉียดเฉียด oh. ถึงไปที่ผนังไงถ้าเขาไม่ยิงเฉียดเฉียดแล้วก็ oh. เพราะกรรมของลูกติปเคยยิงเฉียดคนอื่นเขาอะ oh. ไปขู่เขาเสียงที่ลูกได oh. ้ยินว่า oh. ให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนวิ่ชายนั้น ก็เป็นเพียงความรู้สึกของตัวลูกเองด้วยวิบากรรมดังกล่าวไปใจเสียงขององค์พระเจ้าวิบากรรมที่ไปขู่ยิงทำร้ายผู้อื่นโดยยิงยีเฉียดนั่นแหละบันดาลให้มีเสียงได้ยินอย่างนี้เพื่อจะได้ไปเจอเหตุการณ์เดียวกับที่ตัวเคยทำไว้เป็นภาพในอดีตของลูกนันแหละหลักวิชาวิทยาตอนที่ทาให้หนังเหนียวป้องกันกระสุนนั้นก็เป็นเรื่องของครองคาถาครูบาคสมาธิ คาถาและก็ครูบาจารย์และก็มีสมาธิคาถาครูบาสมาธิยิ่งเรียนยิ่งฮึกเหิมหลงตัวเองมันแน่จะทำให้ไปเป็นนักเรียนอันตภานต่างๆได้จ้ะส่วนอนุภาพของพระธรรมกายนั่นก็เป็นอนุภาพแห่งบุญและธรรมะที่รักษาผู้ประพฤติธรรมยิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคลายความมโนถือตัวไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจ้ ถึงคุณยายทักลูกว่าลูกสาวยายกลับมาวัดแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดนั้นหมายถึงให้มาสร้างบา ร, รมีกมุขนะจะได้หลุดออกไปแต่ไม่ถึงกับให้ลูกมาเป็นอุบาสิกากลายเป็นกองสเสบียงจ้าเป็นอุบาสิกาเป็นกองสเสบียงดีแล้วลูกการที่ลูกเจออุปสรรคของชีวิตจะเป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวของลูกไม่ใช่เป็นการขัดคําสั่งของยายดังที่ตัวลูกเข้าใจจ้า ตลูกก็มีสายบุญร่วมกับคุณยายและหมู่คณะมาจ้าที่หลวงพ่อองคนั้นกล่าว ก, กับลูกว่าลูกสามารถนําคนจานวนมากใครมาเข้าวัดนั้นก็เพราเป็นบุญของลูกที่จะต้องชักชวนคนนําความดีต้องมีหน้าที่ไปรวยไปเป็นกองสเสบียงแช่เราเป็นมกกัคคุแทศชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้นจะมีอนันดิสง์โดยย่อคือจะมีบริวารสมบัติเกิดตัวไปจะทําให้มีพักพวกที่ดี ที่จะเกินหนวยในการสร้างบารมีของตัวลูกเป็นต้นจ้ะเพราะลูกชวนเขามาศึกษาเรื่องความดีมาสู่กระแสแหล่งแห่งความดี่างครั้งลูกต่างน้ำนังเทียบไปอาบน้ำมนต์ขอโชคลาบดูดวงตามวาาาัดรัศรเจ้าโดยลูกไปเต็มใจนั้นก็จะทาให้มีเชื้ออยู่ในวงจรของสิ่งที่ไม่ใช่พารัตนารายจา้างานที่ลูกกาลังกระทาอยู่พอ กำลังจะไปได้ดีมกักเจออุปสรรคนั้นก็เพราะตัวลูกสร้างบุญมาไม่สม่ำเสมอจ้าบางทีก็ทําเต็มที่บางทีก็ทําเต็มทีบางทีก็ทําเป็นทีทีบางทีก็ทําตามอารมณ์จะแก้ไขให้สั่งสมบุญทบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและสม่ำเสมอและจิตนจจะพ้นจากเชี้ยวงจรที่ไม่ใช่พ ร, ร, รารตนาใจไล่ประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจการงานจ้า พ่อปุถุชมะเร็งที่ลูกอันดเพราะกามปานาธิบาขาศัตรมหาหารมรรคกรรม ก, ำกำเเาเมจฉุนไหดีและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าก่อนตายใจก็ไม่หมองไม่ใส่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิวัวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกจะให้ทําในช่วงสุดท้ายมาส่งผลก่อนวิบากกรรมต่างๆจึงทําให้ยังไม่ไปอับายจ้า ได้รับบุญที่ทิ่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นต้นเดจฟ้ามาบอกว่าถ้าไม่ได้ตัวลูกชวนทำบุญก็คงจะไปไม่ดีแล้วยึงฝากอนุโมทนาขอบคุณมาจ้ะการที่ท่านจาบไปยังสงบเพราะบุญที่ลูกดิถิทำและอธิษฐานจิตกับบุญที่ลูกชวนให้ท่านมาทามากับบุญที่ลูกชวนให้ท่านทามารวมส่งผลจ้า พิสาละิชาฝาแฝดตกบนนายพร้อมกันและมีอาการจอประสาทตาเหมือนกันเพราะทํากรรมร่วมกันแกล้งคนอื่นทำคนให้ตาบอดเพราะกําเนดิดพิสากับพิช า, าก็เป็นพี่น้องกันได้ทะลาะ ก, กับเด็กเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วยที่บ้านจึงเชื่อกันผลักเด็กคนนั้นตกบนนายไปเป็นเหตุให้เด็กคนนั้นจอประสาทตากระทบกระเทือน คลาคการที่ปิชาวิสาฝาแฝดเป็นจ้ะจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุบุญเพราะว่าเรานี้เกิดจากวิบากกรรมทำบุญทุบุญทั้งกาติศีลภาวนาให้ ม, มากๆสม่าเสมอและติดสานจิตทีบุญนี้ไปจัดป ร, รนวิบากกรรมดังกล่าวอีกทั้งใหย้ยรี่ไปหาจาักสุขพทย์ผู้ชนานาญรักษาด่วนกรที่จะเสื่อมไปมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้ะลูกและเพื่อนกันเป็นคนแรกมีความรักและผูกพันกันมากเพราะ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 จะแก้ไขก็ต้องเริ่มแก้ไขที่ตัวลูกก่อนโดยลูกตั้งใจมั่นว่าลูกจะเป็นแค่กัลยาณมิตรกับทุกคนและจะไม่ให้เกินเลยไปกว่านั้นโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะไม่ปรยสเสน่ห์และก็มันสั่งสมบุญทุบุญให้มากๆจค่สเสน่ห์แรงหัวใจมีมากข้องตัวลูกมีมนเสน่ห์สำหรับผู้หญิงจะไปเหตหุทะเลาะกัน หลายอะไรนะั้นแล้วก็นในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็มีกรรมกาเมเจ้าชู้กรรมเจ้าชู้หลายๆชาติน่ะมารวมส่งผลพร้อมกันให้มาเป็นอย่างที่ตัวลูกกำลังเป็นในปัจจุบันนี่แหละจ้าเป็นกองสเสบียงอดีแล้วลูกอีกคำมจัจยาทิฐานข้ามชาติมาว่าขอให้มีมนสเสน่ห์สาหรับผู้หญิงมาส่งผลจ้าที่ผู้หญิงบางรายรักและหวงแหนลูก กระเาผู้หญิงแต่ละคนนั้นก็มีวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้มเหมือนกันจึงดึงดูดลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยละละเข้าหากันเพื่อสร้างกรรมใหม่ร่วมกันอีกจ้ะผู้หญิงนั้นก็มีกรรมการมเจ้าชู้ชส่วนลูกก็มีกรรมการมเจ้าชู้สเสน่ห์แรงหัวใจมากห้องลแล้วก็พิลึกกือกเออย่างงี้เลย<ช><ช>จึงดึงดูดขาหากันเพื่อสร้าง กรรมใหม่เรื่องกันิจจะครูวิทย่นึกไม่ออกนึกไม่ออกมันเป็นยังไงนะลูกปวดหลังมากรักษามหมดเงินไปมากมายแต่ก็ยังไม่หายเพราะกรรมในอดีเคยใช้สรัตว์บรรทุกของมากเกินไปเช่นใช้ลาล่าบรรทุกของเป็นต้นมาร่วมทรงมนตจ้าจะแก้ไขก็ตัองสมบุริ์จะพตั้งใศีลภาวนาโอ้ตัวลูกนี่ทไกรรมเยอะจัง ไปสัตว์ไปปราโลทิ่บุนีสัตติธุลูกเขไปเบียดเบียน mm hmm. เขาไว้บ่อยๆจเห็นไหมจ้าพฤติกรรมของคนเห็นไหมมันมีผล mm hmm. เป็นวิบา ก, กรรมไปในพบบึงนะ่ะนี่ไงเมืพุทธัญญาที่ผ่านมาตัวลูกนะ่ะเป็นกุลบุตรเป็นนมรูปรอแล้วมีความชอบอย่างมากคือชอบอยู่สิ่งหนึ่งที่มากที่สุดคือชอบเจ้าชู้ mm hmm. ได้เป็นกองเสบียงของโมคณะมาประเภททำบุญตามอารมณ์เวลาทำก็ทำเต็มที่เวลาไม่มีอารมณ์ก็ทิ้งเลยโ <Okay. S 1> ดยมีผลการปฏิบัติทำได้ <Okay. S 1> เห็นองค์พระใสใสโชคอย่างดีนี่เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ <Okay. S 1> นี่เพราะว่ากรรมเจ้าชูยังไม่มีโอกาสได้ส่งบผลนี่ <Okay. S 1> องค์พระใสเอาตัวรอดกลับไปก่อนในเรามาสร้างบารมี mm hmm. อ่าบอกได้แบบนี้ mm hmm. ได้รอบเดียวแจ้ แต่นัชานี้ต้องรีบแกนิสัยที่ชอบโปรยเสนิแรงสำหรับสัต์สายหมดไปเสียโดยลูกต้องหักดิบตัดใจได้เนี่ยมิฉะนั้นก็มีสิทธิ์อยู่แถวอยู่แถว First Class ชั <c oughs> ้นหนึ่งชั <c oughs> ้นจตุมหาราชิกา <c oughs> ซึ่งมีพวกห <c oughs> นักยักคุคนนั้นครุฑ ด, ดิ้นะ <c oughs> มีพวกชอบรถดิยมอย่างนี้มากมายเลยลูก <c oughs> โอีกนายทำมินิซีรีส์มาให้ดู เราไี้ยอมพวกนี้นี่ิลึกเกือกว่ามนุษย์อีกพุทธาจารย์ที่ามาได้กลับดุสิบุรีแต่ ล, ลงมุงสร้างบรมีได้รอบเดียวก็ดีถมไปแล้วชาตินี้ต้องกลับไปให้ได้กันแล้วกันเอาอีกเ็บ่าลูกนร่จะได้แถมเพิ่มขึ้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดดุสิบุรี วงบนวิเศษเบรบมมโพคทรัจะได้พลัดกันเลยจ้ า, า ท, ที่กับเป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้